ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำมังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทในช่วงที่เป็นภาวจักคือเป็นกิเลสกรรมวิบากแล้วก็นำคนให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเรือตบใดที่เรายัางตัดกิเลสได้ขาดแต่วิจ า, ารณาอุปาทานไม่ขาด่ที่จริงพวกนี้ตัดเข้าก็ อ, าอย่างอื่นก็ขาด สมมติว่าบางทีพระเจ้าทรงแสดงว่าถอนมูลรากเขือวิชาได้แล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องพูดถึงกิเลสอย่างอื่นสื่อสารปั๊บเนี่จะรู้ปุ๊บทันทีได้ดับตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วก็หมดหรือว่าถอนอุปาทานแล้วกิเลสอย่างอื่นก็หมดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อกิเลส ท, ที่เรียกแตกต่างกันมันเป็นเรียกอาการ เรียกการการทําปฏิกิยาต่อจิตของกิเลสในแต่ละกรณีในกรณีที่ทําให้จิตดิ้นรนทะยัตยานอย า, ก ก, ย ก, า, ากก็เรียกว่าตัณหานําไปสู่ปก ก, ก็เรียกว่าตัณหานะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มก็เรียกว่าตัณหาอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ว่าไปยึดก็เรียกว่าอุปาทานยึดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราอะไอ้นี่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นลักษณะของอุปาทาน นะทีนี้ถามว่าทำไมถึงอยากทำไมถึงยึดก็เพราะไม่รู้ความจริงไแต่รู้แจ้งทำความเป็นจริงแล้วก็ไปไปยึดติดไว้ทำไมก็ต้องปล่อยวางอลองสังเกตนะฮะว่าสมมติว่าเราไปหลงถืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในกล่องสวยๆคนขวาห้ถือเอาไว้เราก็ถือไปด้วยความภาคภูมิใจ คนมาเห็นข้าวเขาก็บอกว่ากล่องนี้ก็ตั้งระเบิดเวลาไว้เนี่ยมันก็ต้องทิ้ง น, นะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปอย่างแรงนี่ก็คือคือตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันจะสร้างปฏิกิยาที่แตกต่างกันเพราะในแง่ของพระวจจท่านจึงบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยตัวอดีตเหตุกับปัจจุบันเหตุเป็นเรื่องใหญ่คือผลเมื่อชั่งมา น, น่ตัวการต้องขับอยู่ที่เหตุ ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตจะาสงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแผงธรรมนั้นประมาสัมนามีปกหลกปติสัจอย่างนี้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าเหตุจริงๆมันก็มีสองเหตุอ่ะคือเหตุที่เป็นธรรมะเหตุที่เป็นกุศลก็เหตุที่เป็นอกุศลเอาง่ายๆก็ได้หรือเหตุที่เป็นบาปเหตุที่เป็นบุญเหตุที่เป็นสมุทัยเหตุที่เป็นมรรคอะไรเนี่ยก็คือกัน เพรเมื่อเราต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปเชื่อมดูซิว่าถ้าผลอย่างนี้มันจะเกิดเหตุอย่างไงการตามใจอวิชชาตนาวปาทานนั้นมันเป็นเหตุให้มุนบนในสังสารวัฏในแนวที่ดิ่งลงลึกลงไปขเขารีวนงวงเหนียวเข้าไปสู่นรกคือบาปอกุศลมันก็เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นปัญหาสําคัญว่าตัณหาในอารมณ์ปัจจุบัน ท่าทีในการสัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะนี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่บ้างที่พระเจ้าจะสอนแนวอินทร์สังวรเนี่ยจะสอนไว้เยอะเลยเนี่ยทำยังไงว่าอย่าไปยินดียินได้อะไรมากเกินไปอย่าไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับเขาเรื่องเหล่านี้เรื่องธุระไม่ใช่ไม่เกี่ยว่บ้างเฉยเฉยใชบ้างอ่านะอย่างที่ท่านทำไว้เป็นรูปของวานอนสามตัวรู้สึกจะเคยบอกกันแต่วลานานแล้ว คือเห็นแล้วมันชอบบันทีนะคือเพราะเคยพบทีกุตติสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนะี่ยท่านมีอะไรเขาเรียกตาเต็งนะฮะตาเต็งที่วางเครื่องช่างสองสองด้านนะตาช่างนั่นแหละก็วางสองด้านให้น้ำหนักเท่ากันแล้วท่านก็หัวมันไปวางไว้เพื่อสนใจตัวเองว่าเวลาสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายนะ ช่างหัวมันจะบ้างทีนี้ช่างหัวมันมันไม่ค่อยจะสุภาพนะฮะเลยกขาเขามามาช่างเราช่างเขาอะไรก็ช่างเขาช่างเขาคือปล่อ ย, เ, ยเรื่องบางเรื่องอ่ ะ, อะที่แนวที่เราบอกว่าพูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเนี่ยในคนสมัยนี้บางทีเขาก็คิดอีกเรื่องหนึ่งนะก็ <c oughs> ว่าไม่พูดไม่ได้ต้องพูดปัญหาว่าพูดแล้วมันต้องได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์พูดทาไม บันทีมันเกิดความแตกแยกเกิดความรล่าสารอย่างเนี้อย่างพระราชบัญญัยากติเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่จริงแล้วอันตรายนะแต่มันเสียงเรียกร้องจากพวก NG ็อมากเกินไปความลับคือความลับเรื่องบางอย่างเนี่ยพูดไปแล้วมันเสียหายเช่นว่าเรียกร้องจะดูคลังแสงของกองทัพว่ามีอาวุธอะไรเท่าไรต่อไรต่อไรเอาไปเผยแพร่เนี่ย หรือบอกว่าในบ้านเมืองเรามียาอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะไรๆเนี่ยจะทำไงคนหวังดีก็มีคนไม่หวังดีก็มีเพราะในข่าวบางอย่างเนี่ยแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรก็อย่าคิดว่าทุกคนรักชาติบ้านเมืองเสมอเหมือนกันมันไม่ใช่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดบางอย่างเปิดเผยไปแล้วมีปัญหาก็อย่าไปเปิดเผยไป ทีนี้บางอย่างสนใจไปแล้วมีปัญหาก็อย่าสนใจมันแนวลิงสามตัวเนี่ยท่านทำเป็นปิดปากปิดตาปิดหูคือเอาเฉพาะตรงนี้บอกบอ ก, ก่อนนะบอกก่อนเพื่อไม่ให้มีปฏิกิริยาในทางลบต่ออารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันขณะไม่พูดใบ่ป้ ไม่ฟังสับ้างหรือฟังแล้วก็ไม่ใส่ใจจะกบ้างไม่สนใจสักบ้างแล้วก็ไม่ดูไม่เห็นสักบ้างท่านเรียงไว้เป็นคํากรอนทราบว่าเป็นพระรูปหนึ่งพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งชื่อพระมหาจำรัสติตาโชติวัดมาทาตุในคนเขเล่านะฮะคื อ, อยังศึกษาที่มาไม่ได้ว่าใครเป็นคนเขียนก็เขียนเพราะ ท่านบอกว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็ น, นหลักธรรมนาให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวบางคราวนะฮะวิเคราะห์ดูตรงนี้มันทาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มันต้องมีการมินิจัยว่ามองว่าอะไรอย่างไรทำไม่เพราะเหตุใด เพื่ออะไรเนี่ยก็ตั้งพยายามหาคําถาม ไ, าไม่ได้หาคําตอบไม่ได้แต่ทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์บางเรื่องเนี่ยอาจจะเตือนจิตสกิดใจคน น, นะฮะเ็อาจจะต้องพูดแต่ว่าหลักการของพระพุทธเจ้านี่สงวางไว้วา่วาเรื่องนั้นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมคนฟังชอบใจไหมหรือมาดูการลเทศะแล้วเป็นยังไง บางทีคนฟังชอบใจก็ดูกาลาที่จะพูดบางทีคนฟังไม่ชอบใจก็ดูเวลาที่จะพูดเหมือนกันคือไม่ได้ใส่ใจว่าคนจะต้องชอบใจเสมอไปแล้วเราดูเด็กเด็กมัน ก, ก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันถึงเวลาเพราะเรามุ่งช่วยเหลือเขาเราก็เสียสละตัวเองเขาเกลียดนะฮะบางทีเนี่ยยังอบรมเด็กเนี่ยมา ก, ก็เกินบางทีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันสุดกําลังที่จะแก้ไขแล้วไม่ไไรู้จะทำยังไง มันต้องสบประมาทแต่ใช้วิธีสบประมาทได้บอกคนอย่างคุณเนี่ยชาตินี้เอาดีไม่ได้เราไม่มีทางมีสอบปเปลียนได้เกิดอีกชาติหนึ่งยังสอบไม่ได้ก็ก็สู้เลยแต่บางคนบางคนไปไม่ได้จริงๆเนงเยบางคนเกคืดสู้ไปได้แล้วแกก็มาถามว่าเป็นไงอาจารย์ยว่าผมสอบไม่ได้มันก็ดีแล้วนี่ก็ไม่ต้ว่าอะไรนี่เราต้องการจะกระตุ้นจิตวิ ญ, ญญาณของแกมันทรนงกันมาเท่านั้นเอง แล้วก็ดีใจแกแๆมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าคมในบางกณียกในบางกณีแต่บางคนนี่ไปจริงๆเลยเอาเค้นไม่ไหวเลยแต่ว่าการที่เราไปพูดอย่างนั้นนะเราก็เสียงนะเสียงก็โกรธแต่ถ้าก็โกรธแล้วเนี่ยเขาเจะเดินเ้าหน้าเราก็ไม่ว่าอะไรก็โกรธเราตลอดชีวิตเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เจตนาร้ายอะไรนี่ไม่ได้เจตนาบิดเบี้ยนมาทุสลายอะไรเราไม่ต้องตะคิดตะกวงใจเราไม่ต้องเดือดร้อนใจ พงั้นเรื่เจตนาที่มีต่ออารมณ์ซึ่งกระทบในแต่ละขณะเป็นเรื่องที่จาเป็นจะต้องอาศัยพวกนี้สติสัมจัญญาอิริยตปะต่ๆเนี่ยนะคือระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นเรื่องบางเรื่องพูดไปแล้วมีปัญหาก็ไม่พูดเสียบ้างดูไปแล้วมีปัญหาก็ไม่ดูเสียบ้างฟังไปแล้วก็มีปัญหาไม่ฟังเสียบ้าง จะช่วยให้เกิดความสงบใจทีนี้ในเรื่องข้อมูลทั้งสองเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะหมุนไปตามเหตุเมื่อกิเลสเมื่อกิเลสมีก็เป็นเหตุทํากรรมเมือ่อทํากรรมไปรับอิบากแก่งกรรมอิบากแก่งกรรมเกิดกิเลกก็เกิดอีกฮะเราดู ง, ง, ง่ายๆอย่างเงี้ยดูง่ายอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราไปเห็นขนมสักอย่างหนึ่งรู้สึกน่าสนใจก็มาซื้อชิมดู 2019, พอ ช, ชิมรู้สึกชอบทีนี้ตัวชิมแล้วก็ชอบเนี่ยมันเกิดความอยากกินต่อไอตัวอยากในเห็นั่ากิเลสนัื่องเกิอยากก็ไปซื้อต่อซื้อต่อก็กินกินก็ชอบเพราะมันกลายเป็นกิเลสกรรมบิบากรรมก็คือกิริยาที่กินกินแล้วอร่อยก็เกิดอยากอยากก็ซื้อกินต่อกิเลสก็เกิดเกิดก็กินกินก็เกิดกรรมกรรมแล้วก็อร่อยอร่อยก็เป็นวิดาก็กินต่อก็หมุนกันอย่างเงี้ยเหมือนกับอาหารเหมือนกับะไรกระตามนะฮะ วันเรื่องบางเรื่องมันเป็นกระบวนตรงนี้กับกระบวนการตรงนี้ถ้าเราไปเพิ่มเติมคือว่าเพิ่มกิเลสขึ้นไปมันก็เพิ่มกรรมนะฮะเพิ่มกรรมก็เพิ่มวิบากแต่นี่ปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้ากิเลสแรงเนี่ยกรรมมันจะเป็นอกุศลวิบากมันจะเป็นทุกข์ตกลงว่าปลาฝุ่นทนลมเลยทีปาฝุน่นทวนลมแหวงเท้าหาเสียรหรือฝอยหาตะเขีนหาเรื่องใตัวเองเดือดร้อน ซึงปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราทำโมเองมันไม่มีใครทำให้เราทำมาเองแน่นอนว่าบานเรื่องเนี่ยมีการทำให้วันก่อนก็ไปเจอด็อเตอร์คนหนึ่งก็พูดถึงอ้างด็อเตอร์ที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาพูดในธรรมนองว่าพวกเราเนี่ยไบวิเคราะห์ตรวจสอบถึงความไม่ดีของตัวเอง อแทนที่จะมองถึงว่าคนอื่นก็ทําไม่ดีต่อเราเนี่ยมันน่าจะพูดว่าทําไมเขาจึงทําไม่ดีต่อเราเอาแต่ไปยุ่งอย่างนั้นก็ตายนะฮะมันก็ต้องถามว่าแล้วทําไมเขาไม่ทําไม่ดีกับคนอื่นล่ะก็ปัญหามันก็อยู่ที่เราปัญหามันอยู่กับเราเราถูกเขาด่าเนี่ยปัญหามันเขาด่าเราก็แสดงว่าปัญหามันอยู่ที่เรางั้นการแก้มันแก้ที่เราไปแก้ที่คนอื่นได้ยังไง ไปต่อยก็หรือไปท้าต่อยก็เลยมันแก้ไม่ได้ที่มันผิดเนี่ยเราไปแก้ที่คนอื่นเช่นสมมติว่าเพื่อนดูขึ้นมาเนี่ยหาว่าดูถูกดูหมิ่นอ้าไปต่อยเขาก็ยุ่งเนปัญหาแก้ไม่ได้ครับมันต้องแก้ที่ตัวเราแก้ที่จิตซึ่งตั้งไว้ผิดเนี่ยแก้ให้ได้ไอความรักความชางังความชอบไม่ชอบคนอื่นเนี่ยมันเรื่องของเขาอะ่ะใครจะทําให้คนรักได้ทั้งหมด แล้วก็ไม่มี ใ, ใครที่ถูกคนก็เกลียดทั้งหมดแต่มันอยู่ที่การกระทาของคนคนหล่อนนั้นซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทำดีแล้วคนจะรักเราทั้งหมดไม่ใช่หรอกเรารับผิดชอบในตัวเหตุตัวกรรมนะฮะเรารับผิดชอบในตัวกรรมของเราแล้ววิบากนะเราเป็นคนรับแต่ถ้าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นแล้วในที่สุดมันก็ยุ่งไง มันก็ยุ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนอื่นนั้นเรามองเขาเป็นบทเรียนเนี่ยได้เรามองเขาเพื่อจะช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์เขานี่ได้แต่ว่ามองเขาเพื่อจะแก้ปัญหาสภาพจิตเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยา ก, ก น, นะฮะก็เรียกว่าแก้ไม่ได้ก็แล้วกันเนีเว้นไว้แต่เว้นไว้แต่ว่าเขาบอกด่าวชี้แ น, นะความผิดพลาดบกครองต่างๆของเรา แต่เราก็ยอมรับแล้วก็นํามาแก้ไขอันนี้มันก็แก้ที่เราอีกแหละมันไม่ใช่แก้ที่เขาเพราะชีวิตมันจะหมุบบุนจะเรียกว่าวิญวายตายเกิดตามเหมาะตามปกติเราเรียกอวิญวายวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเป็นปัญหาที่ยังเคยยกตัวอย่างไว้ในวันก่อนนะที่ปู่เจ้าทรง เป่งพระพุทธทานก่อนการศัสรู้ซึ่งเราก็คงจะต้องไปเจอในรายละเอียดต่อไปวันชีวิตในแต่ละแต่ละชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นเทววิชาและมันไปจบแต่ละชาติแต่ละชาตินะฮะแต่ละชาติแต่ละชาตินะมันเป็นลักษณะเกิดดับเกิดกดับกนนกันไปแล้วก็การดับในแต่ละชาตินั้นเขาเรียกว่าสมมติวรณะคือสมมติว่าตายพอตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บไปนะ มันก็ไหลกันอยู่อย่เงี้ยแต่มันซ้ซําๆำซากซากนะขาชาติปุณนปุนังการเกิดไปบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆทรงแสดงว่ามรันตังหิตชีวิตตางชีวิตเนี่ยจบลงที่ตายและชีวิตมีความตายเป็นที่สุดในแต่ละชีวิตนะฮะไม่ใช่ว่าจบลงที่ตายอันนี้คือประเด็นปัญหานานลหลายปีมาแล้วสมัยตอนนั้นขมมนิตทเขาแร ง, งนะฮะ นี้ท่านผู้เดิงที่เราน้อยใจเนี่ยคือเป็นปเปลี่ยนธรรมองประโยคแล้วไปเขียนหนังสือออกหนังสือพิมพ์เป็นมีคลัมน์ประจำนะมีคอลัมน์ประจำก็เขียนเรื่องมรนันตังหิชีวิตตังเนี่ยอ้างว่าชีวิตมันก็จบลงที่ตายไม่มีกรรมไม่มีสังสารวัฏไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไปกันใหญ่เลยมันก็กลายเป็นเครื่องมือโอชาของคน ซึ่งต้องการจะทำลายศาสนาเพราะจะลืมนะฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีกรรมสังสารวัตรกับนิพพานแล้วเนี่ยก็จบแนละ้เพราะอะไรพระพุทธนามันเกิดถืบเนื่องมาจากประยาสามประกา ร, รยานข้อที่หนึ่งบุเพนิวาสารุติญาณ น, นั้นเป็นเรื่องสังสารวัตรอูตูป ป, ปาตญาณนั้นเป็นเรื่องของกรรมอาตวะขยานนั้นเป็นเรื่องของนิพพาน เพราะในกุศลส่วนเรียกว่าวัฏฏามีกุศลเนี่ยกุศลที่เรายัางหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยเรื่องกรรมกับสังสารวัตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หมายความว่าความเข้าใจในกระบวนการของภูเบศนิวาส า, านติญาณกับจุตุปปาติญาณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนจะสนักรับผิด ช, ชอบในกฎของกรรม เราสังสารวัฏนั้นมันเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากกิเลสแต่กซึ่งสืบเนื่องจากธรรมะก็ได้เพียงแต่ว่าในความเป็นธรรมะนั่นเองมันมีนมกิเลสเชืออยู่เราจึงพูดระดับบุญบาปในชั้นของสังสารวัฏแต่ถ้าพูดเรื่องกุศลแล้วจะไปพูดระดับของ เขาเรียกวิวัตต伽มีกุศลคือกุศลระดับที่พ้นจากสังสารวัฏพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าท่านเหล่านี้ท่านก็ทํามาแหละแต่ว่าไม่เป็นกรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีกิเลสวันท่านเรียกกรรมมันต้องเชื่อมกับกิเลสพอหมดกิเลสแล้วเขาจะไม่เรียกว่ากรรมเขาจะเรียกว่ากิริยาเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นตัวงหมาปสู่สังสารวัฏละเมิดละไม่นะ เดีวถาเราศึกษาดีแล้วเมตตาใหม่มากคําเนี่ยเขาจะยันกันตลอดคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ ย, ย่าไปยุ่งกับท่านท่านว่ายังไงคืออย่างนั้นทุกตัวอักษรกันเลยแล้วจะไม่เกิดความสับสนเวลาเนี่ยมีคนเขาบอกว่าอะไรประยุกต์หรือว่าอะไรตีความหรือว่าวิจัยไม่ต้อ ง, งนะนะ ไม่ต้องประยุกต์แล้วไม่ต้องพูดเรื่องบูรณาการอะไรคือมันเป็นกระบวนการธรรมชาติ่เหมือนต้นไม้เราปลูกเนี่ยมันบูรณาการมันเองโดยกระบวนการธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันล่ะเราก็รดน้ําให้ใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปนะที่แต่เราทําแต่ต้นไม้มันบูรณาการมันเองมันออกดอกออกผลอะไรแต่อะไรของมันเองไง ธรรมะนี่เขาบูรณาการเขานะเวลานี้เราบูรณาการเข้ามาใช้แล้วพูดแ้า่ก็ต้องเอาธรรมะตรงนี้ไปโยกไว้ตรงนั้นข้อ น, นั้นไปโยกตรงนั้นข้อ น, นั้นไปจัดก็ตรงนั้นเอามาประยุกต์เพื่อจะให้เกิดบูรณาการมันไม่ต้องอะนะพระเจ้าท่านรับรองท่านเช่นอิทธิบาทเนี่ยทําคนให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์เรามีอิทธิบาทครบหรือเปล่าถ้าครบเขาบูรณาการเขาเองไง มังวานั่นหละจะเป็นทำหน้าที่สวจสอบะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดต่ออะไรแต่ละทางทางก็เขาจะทําหน้าที่ของเขาเองเพราะในกระบวนการเหล่านี้ที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดามันเป็นเรียอธรรมนิยามันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติอย่างนี้มีอย่างนี้มีอย่างนี้มีก็ว่ากันไปเรื่องทีนี้ ในรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยรอบใหญ่นะฮะรอบรอบชาติเนี่ยก็คือจบตรงที่ตายทีนี้ตายเนี่ยพอตายเนี่ยาไอไอคนที่ตายเนี่ยกิเลสหมดหรือเปล่าเพื่อให้มันต่างกันว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกเขาจึงเรียกว่า น, นี้ผ่านเด็กก็คนตายนะพระพุทธเจ้าพระหันเวลาท่านตายนะ่ะเขาเรียกว่า น, นี้ผ่านเพื่อให้รู้วันเนี้ย มันไปไม่มีอวิชชาแล้วนะคนนี้ก็ไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีสังขารแล้วจึงไม่มีวิญญาณออกก็เรียกให้ต่างกันเอาไปแต่ภาษาเราที่เราใช้เนี่ยชีพิตักไัไอ้สวรรค์โคตรที่วงโคตมรณะกรรมอสัญญกรรมอนิจจกรรมอะไรว่าไปอันนี้อันนี้มันไปบ่งบอกสถานภาพในปัจจุบันของคนแต่ไม่ได้บ่งบอกสังสารวัตรว่า ไม่เวียนไหวาตายเกิดแล้วนะตอนนี้ท่านไปสวรรค์นะตอนนี้ท่านนิพพานนะมันไม่ใช่มันเป็นภาษาที่สื่อสถานะตําแหน่งในปัจจุบันแต่ไม่ใช่บ่งชี้ว่าต้องเป็นอย่างที่เราว่าปัญหาใหญ่มันก็กลับมาอยู่ที่ว่าอาวิชชากระสังขารท่างมีหรือเปล่าไม่ใช่อวิชชามีหรือเปล่าขำคาเดียวแต่นั้นเองนะถ้าวิชามีสังขารก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็มีมันก็เข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้น เพราะคนตายเนี่ยถ้าเราเปรียบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเนี่ยมียางเหนียวอยู่ไหมถ้ายางเหนียวมีเนี่ยได้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือเปล่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ต้องแตกหน่อเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสกรรมก็สร้างวิญญาณขึ้นเพราะวิญญาณมันจึงเหมือนกับหน่อของพืชเนี่ยเห็นไหมถ้าพืชจะมียางเหนียวอยู่ไม่ถูกทําลาย แล้วก็ได้อุณหภูมิที่เอื้อต่อการงอกแกก็งอกงอกก็กแตกกิ่งก้านสาขาก็ว่ากันไปก็กลายเป็นสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดเห็นไหมกระบวนการปฏิจจสมบัติต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นกระบวนการของปัฏิการก็ไดยกระบวนการของเหตุของปัจจัยตัวเร็วตัวไม่เร็วอย่างหลายปีสองสามปีนะฮะคือไปเจอต้นไม้ต้นต้นปีปอะไรเนี่ยที่วัดเพชรปราราม แล้วหลงพี่จ้าว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยเกิดท่านทๆ ท, ทดสอบทฤษฎีคือตัปลูกพร้อมกันต้นเท่ากันแหละต้นหนึ่งเนี่ยเอาลรำพวงไปแขวนไว้แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเบาๆทุกวันต้นหนึ่งก็ปล่อยไปอย่างนั้นอย่างปุ๋ยใส่ปุ๋ยรดน้ําอะไรธรรมดาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นหนึ่งนี้ให้ฟังเพลงด้วย ตะโกตะต้นีนความเพลิงมันโตสูงชะลูดใหญ่จนไม่น่าเชื่อนะะว่าต้นไม้ปลูกปลูกพร้อมกันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกอะไรอยู่ก็สาวลึกลงไปก็แสดงว่าธรรมะไอ้ไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยมันก็มีวิญญาณระดับหนึ่งที่รับรู้แล้วก็เกิดเป็นความเบิกบานบันเทิงสุขภาพทางวิญญาณก็ขนาดไหนก็ไม่รู้แลลวก็กดีอ่ะพระพุทธศาสนาจึงห้ามตัดต้นไม้เนี่ย นั่นก็แสดงว่าเขาก็มีวิญญาณอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านแม้แต่ก็ห้ามนะทีน่นี้ชีวิตที่มันเชื่อมโยงอยู่กับกรร ม, ก, รร ม, ก, รรมกับ ก, รรกิบเลส ก, กับกรรมเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราต้องการเมื่อเรายัางมีภพชาติเนี่ยเรายัางทําลายกิเลสไม่หมดเราก็ต้องมีภพชาติแน่นอนแต่ยังไงจะเกิดและเกิดให้ดีหน่อยได้ไหม เพราะงั้นท่านก็แบ่งไว้เป็นคนกระแสชีวิตของคนสองกลุ่มเขาเรียกว่าทุกขโตกสุขโตทุกขโตคือดําเนินชีวิตเป็นดีนะเช่นงดเว้นกอา อ, าอากับอับอับายามุกรักษาศีนห้าพูดง่ายเป็นสุจริตชนเนะี่ยมันก็กลายเป็นสุกโตคือดําเนินไปนดีทีนี้ถ้าถ้าถ้ามอมมุมุกมุ่นอยู่ในอับาญมุสสิ่งเพจิตผิดศีนห้า มีความแข็งดีทฤษยะอาการมาร่าต่างๆมันก็กลายเป็นทุกขโตคือดํามลมไปชั่วชีวิตในแต่ละวันก็ชั่วกลายเป็นคนชั่วมีความชั่วเมื่อพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วเดินไปถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นทุกขติส่วนพวกนี้ก็กลายเป็นสุ ก, กติอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยองค์รวมนะฮะที่ว่าธรรมและอธรรมให้ปดไม่เสมอกัารธรรมย่อมนําไปสู่ทุกขติธรรมย่อมนําไปสู่สุกติ มันก็กลายเป็นสูตรเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่ไปเชื่อมโยงกับตรงนี้นเชื่อมโยงกับวิชาการตัณหาเนี่ยในอดีตก็ถือว่าสืบเนื่องมาจากวิชาชีวิตเราเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากวิชาถามว่าตรงนี้มีตัณหาไหมก็มีตัณหาอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าอดีตเทศแต่จริงๆแต่เรียนเต็มที่แล้วเนี่ยคือวิชาสังขารตัณหาอุปาทานครบแล้วก็กลับมาคบ ตอนนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่ตัวอดีตจริงๆไม่กรรมาพพนะฮะแล้วก็พบในอดีตเราก็มีนะพบในอดีตเราก็มีเพราะเราอยู่เป็นสัตว์ที่อยู่ในภพเนี่ยก็ทำให้เรายัางติดในภพอยู่ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่มาแต่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัณหามันนำ ไ, ไม่ใช่อวิชชาบันนำเท่านั้นเองอวิชชาเป็นโมลรากต้องฝังทั้งหลาย การอบรมปฏิญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอก ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทัวกันสวัสดี